มชจาว่าพระพุท ธ, เ จ, นนทธเจ้าอนุ้ัติเลตพุทธเจ้าหรือไม่เลตุรพุทธเจ้าจะต้องรู้ไหมมั้งในขณะที่ก่อนต้อสรู้ก็มีคนดูแล อ, อุปถาอุปทําจุดคลายความเพียรจุดคิดเอาเอง ทายว่าพระพุทธเจ้าไม่ทำความเพียรแล้วตามคนต่างๆเหลือแต่พุทองค์จนพุทธองค์กระเซาะไปแล้วพระเจ้าเอาแรงงานนี้ข้นแะก็สวยพุติสุกร์ตามเทศกาลต่างๆติดมาต่างๆอย่างวัเจ็ดวันก็เป็นสี่สิบเก้าวัน คนงานเดือนกว่าสวยวุทิสุเด่นกว่ากำลังพิจารณาดูสภรสัตว์ทั้งลายพิจารณาสิ่งที่พวกมึได้รู้ได้เห็นได้เข้าใจที่เรียตรัสรูนั้นมองไม่เห็นใครที่พอจะเตือนตาม ตลอดเป็นกับเป็นกันมายินว่าตายเกิดครั้งแล้วครั้งเล่า ล, ลัทธิสรารพัดลัทธิความเชื่อปฏิบัติตามความเชื่อของตงนเองคุณทางพระองค์เกิดท้อขึ้นมา พ่าพยื่นาตามความเป็นจริงเพื่อปกคนล้านคนได้คนหนึ่งก็ยังดีถ้า ใ, ใส่ความสงสัยสงสงสารในเรื่องนี้นี่คือพระมหาการุณาธิคุณแต่พระองค์ไม่มีมหากรุณาธิคุณเพรววาะผมไม่ได้อยู่ในฝั่ ง, งนั้นทุกวัน สุดท้ายจึงกลับ่าจะโปเฉพาะทจ่โปวได้มาถึงยุคคราวุคปอาจารย์แนะนำครับสอนองแลวโองเล่าจนนับไม่ถวนที่พยายามเียกความจับ ือวียในสัตว์คำว่าสัตว์ในตอนนี้หมายถึงสัตว์ตาคือผู้ค้องไม่ใช่สัตว์ของเลี่ยงอู่สัตว์ใดระชาังคนลองหนงะรก็ตามทั้งยินยังคล้องยังติดอยู่คาว่าติดในตนี้คือในติดในการมรรรูปมพอรูปมพก็ชื่อว่าติดนี่ชื่อว่าค้อง พยายามเป็นไหวตายเกลียดโจนะครับทั้งสองไปช่อเป็นผู้ค้ำลงเพราะพบทั้งสางเจอเดือนยิ่งใหญ่สิ่งที่ครูบาอาจารย์เราพบก็เช่นเดียวกันเอาตัวเองแรกด้วยกำลังกายกำลังมรรจาลังใจกำลังชีวิตก็เลยรู้ด้เฉ็นได้เจอได้การต่างเป็นผูองตรัพไว สิ่งที่ครูบาอาจารย์ทัานพูดไว้เกล่าไวา้แม้ไม่กี่ประโยคไม่กี่คำแต่ก็านำมาปฏิบัติจนเข้าใจเร็วได้ผลใ น, นการปฏิบัติแลยเขาพยายามที่ชี้แนะดูตัวอย่า ง, า ง, าางแต่มันก็ไม่ง่าย เพราะฉะนั้นิธการพูดของครูอาจารย์หรือพูดของคนทั่วไปนี่คือพูดให้ฟังอันนี้ธรรมดาเมือนที่เราพูดกันพูดเจ๋เจ๋เจ๋เจเจ๋พูดให้ฟังพูดให้จําอันนี้เป็นเรื่องหนักก็บพีพูดยังไงถึงจะจำนี่เสียถึงพูดพูดให้จํา ก็จะวุ่นแยกแล้วแต่พูดให้ทำมันเป็นเรื่องที่แยกที่สุดเพราะฉะนัหนผู้เราในฐานะเป็นผู้ฟังก็พูดให้ฟั ง, ววฟ ง, ฟงากาจะไปว่าฟังฟังแล้วก็แล้วกันไปเหมือนกับฟังและสนทนาในชีวิตปรียงวันอันนี้พูดให้ฟังน่าจะตอ่อบดียวกับว่าเฉยๆพูดให้ฟังเฉยๆก็ไม่ได้สาระอะไร ตามคนตามไปตามคนตามจบพูดให้ฟังพูดให้จําพูดให้ต้องจํานะเนื้อหาเนื้อเรื่องบทสรุปพองเรื่องเป็นยังไงแต่วผู้เรียนก็ยกรายในการยเรื่องของบุคคลสะามที่เป็นขอ้ออ้างเสมอเนี่ยพูดให้จําแต่พูดให้ทำํำ เป็นเรื่องลำบากมากๆดูตรงไหนดูที่การเชื่อแล้วก็ฝังประการแรกคือเชื่อคนเราถ้ามันเชื่อคำว่เาเชื่อจนไม่หมายถึงศรัทธ า, า, าอันเดียวกันถ้าได้เชื่อถ้าได้ศรัทธา บอกอย่างนไงก็ทําอกจะไหก็ปฏิบัติบอกซ้ายไป้ายบอกขวาไปขวาบอกนั่งก็นั่งบอกยืนก็ยืนบมุมุดิมคงเดิมในถ้าเชื่อเชื่อฟังคำว่าเชื่อฟังคือปฏิบัติต่างกันเองอันี้เราไปดูคุยจากที่บันมาทั้งพวกเราได้ยินมาแทบทั้งหมดเราดูในประเทศไหน ผู้ดใดฟัง ก, ก็ฟังแต่ก่อนแรกก่อไปผู้ใดจำเราเคยจํำไม่เคยจำผู้ดใดทําได้ลงมือทำมทททั้งครบสาอย่างมั้งผู้ให้ฟังเราไปฟังเทศฟังธรรมที่ไหนก็แล้วแต่เป็นคำบอกเราคำสอนจดมา อ, ง อ, ง อ, งองังลิกประกอบด้วยเหตุและผลในที่มาที่อยู่ที่ไป ฟังแล้วต้องได้อะไรสิ่ที่านิงที่เราได้ยินได้ฟังทำไมอย่างนี้ก็เหมือนกับเป็นเหมือนกัรพูดว่าท่านพูดว่าแล้วเราไม่เคยเอาใส่ใจไม่เคยเอาครอบครรภคือใจมันก็อยู่ข้างนอกสุดท้ายความดีเป็นความดีลองท่าน เป็น ค, นนคนวามมีของวาจันตัวเองเลยไม่ได้อไรไม่ได้อะไรก็ดูจากไหนดูจากพฤติกรรมที่เป็นรพฤติกรรมวัตจีกัรมมโนกันมมาทำอะไรนี้นน ม, นมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นลดลงของที่ก็ต้องดูดูว่าจันแล้วมันเพิ่มขึ้นไหมมันลดลงไหมมันคงที่ไหม ก็ต้องดูถ้าอ่างนังก็อาจจะจับไปฟังเหมือนกับปล่อยฟังเพลงไปฟังลิจเกฟังอะไรจบแล้วก็เลิกไปไปฟังคให้จำเราเคยจำได้บ้างไหมประโยคประโยคไหนที่กดจำและนำมาเป็นชิตประจํบบันดิพุดมเปาไิเช็จไป แต่ว่าพูดนก็เป็นสิบปีเราจำไนได้มั้งที่สำคัญคือทำอะไรได้มั้งทำไมงั้นแล้วก็เปล่าเรียปล่าเสียเวลาเปล่าคนนั้นการอยู่กับค น, นอยู่เป็นคนไม่ใช่ก็ไม่ายเลยอยู่กับคนที่อยู่แล้วมันอยู่จังโบราณต่า ง, ง ว, าว่าอยู่เย็น เป็นสดไม่ใช่ง่ายๆอยู่ได้มันเย็นอยู่คือเป็นอยู่คือชีวิตนี่แหละเพรชีวิตคือความเป็นอยู่อันนี้มันเรีกว่าอยู่อยู่แล้วต้องเยนเลยนะเยินคือกายก็ต้องเย็นวหวจาต้องเยนใจก็ต้องเยนเนี่ยอยู่เย็นอยู่เย็นเป็นสดถ้าอยู่เรื่องร้อน อยู่ที่ไหนมันก็เป็นทุกข์อยู่บ้านก็เป็นทุกอยู่วัดก็เป็นทุกข์จนร้องก็อะไรร้อนก็ออคิดคำพูดการกระทำของตัวเราสุดท้ายมาลงที่ตัวเราไม่ลงที่ผู้อื่นเปีนั้นครูอาจารย์ที่มีโยู่ในยุคปัจจุบันไม่ได้มมากนักแต่เรามดเลยโอ้เออโอ้เอ เมัวรอวะโองน้ น, องนั้นก็เทพดีโอโน่ก็ปฏิบัติดีนั่นก็เป็นเรื่องของท่านนะเหมือนเราบอกคนนั้นเป็นเศรษฐีคนนี้นเป็นญาติจบนั่นเป็นเรื่องของเขานะเขารวยเป็นเรื่องของเขาเขาจนก็เป็นเรื่องของเขามันได่เกี่ยวอะไรกับเราเลยคือไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับเราเล ย, เลยแต่เราชอบเป็นอย่างนั้นในชีวิตประจะําวัน นันแปลว่าเราชอบดูอะไที่มันห่างไกลเรียกว่าห่างไกลหัวใจห่างไกลจิตใจอย่างนี้หลวงปู่ท่านบว่าหลวงปู่ปรุงต น, นเด่นเลยครับเด็ดเด็ดท่านบอกส่งจิตออกนอกท่านใช้คําว่านี้ก็คื อ, คอชอบเอาความคิดคำพูดการทำไปฝากได้กักบคนนั้นคนนี้คนนู้น ม่ว่าจะดีหรือไม่ดีก็ตามมันจะเป็นความคิดควาูดในเรื่องที่ดีก็ตามไม่ดีก็ตามที่เราชอบจะพูดถึงคนนั้นพูดถึงคนนี้ในเนี้ยดีในเนี้ยเสียก็ตามนั่นะเรียกว่าเอาจิตเป็นจับใบข้างนอกแล้วเราก็จะเห็นแต่ของข้างนอกทุกทางก็เพิ่งอะไรไม่ได้รเราก็ไม่ได้อ่านเห็นทั้งวันต่อหเห็นเสร็จทีทั้งวันก็ไม่ไแปลว่ารวยทั้งวัน ก็คือมันไม่ได้อะไรเพราะ้อยู่ต่ออยู่ใกลกับวาจามันเป็นร้อยปีปีสัตว์ัวฟังไม่เคยจำไม่เคยทำอยู่ไปร้อยปีก็ไม่คุ้มประโยชน์ที่จำคนได้ปฏิบัติลงมือเข้าวัดไม่กี่วันไม่กี่เดือนไม่กี่สัปดาห์ได้ยินได้ฟังตั้งใจคือตั้งใจ คำว่าตั้งแปลว่ามันไม่มั่นคงใจมันบัดไหวไปตามอารมณ์ประมาวัดเพื่อมาตั้งใจคือตอำให้ไปจใจมัตั้งเหมือนเราเดินถ้ามันไม่ตั้งคือมันมันเซอนไปเย็นมาเรียกว่าไม่ตั้งมันก็ไม่ตรงนั้นกันที่เราเข้มาก็เพื่อตั้งจิตตั้งใจคือตั้งใจจริง โด่เฉพาะแต่วันขั้นวันแรกก็ต้องมามาทั้งที่ผู้คนเคยชินเป็นนั้นเวลาที่อึงมีอยู่พยายามให้เห็นคุณค่าของเวลาเป็นเงี้ยแล้วหมือนผูดตอนเจ้าคือสุดท้ายประโยชน์ตนก็ไม่ได้ประโยชน์ผู้อื่นก็ไม่มีไม่เกิดและที่สาคัญคือประโยชน์ภายหน้าคือประโยชน์อย่างยิ่งยิ่งไม่ได้อะไรเลย ก็แปลว่าอยู่ครบ8ปิปีเ0้าปีร้อยปีหมดลมหายใจธาตุทั้งมีที่มีอยู่มันก็สลายไปตามกาลเวลาธาตุขันธ์อายตนะสาอย่างนี่เป็นเรื่องสำคัญที่เราจะต้องยิบยกขึ้นมาพิจารณาให้เข้าใจอย่างถ่องเท้จะใรจะไม่เข้าใจเรื่องสิ่งเหล่านี้ ไม่มีทางเลยที่กาปฏิบัติที่มันจะโศกขึ้นไปโศกขึ้นไปเพราะว่าสิ่งเหล่านี้จะตั้งไมจะกลายเป็นของหนักแต่กลายเป็นของหน่วงของเหนียวทุกทางก็ก้าวขาไปไหนไม่ได้มันจะผูกมันจะมัดมันจะรัดมันจะเรืงเอาไว้ไปไหนไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเราแยกสิ่งเหล่านี้ให้เข้าใจอย่างชัดเจน ถ้าอย่างไม่เข้าใจเราไปอ่านดูเป็นตำราก่อนว่าธาตุนั้นคืออะไรไมีอะไรบ้างดื่มน้ำไปลงตึงคืออะไรมีคุณลักษณะเป็นยังไงถ้าขันที่รบครองกั น, นมันคืออะไรทำไมชื่เรียกว่าขัอนอาตนะมันมีข้อดีข้อเสียอย่างไรถ้าเราเข้าใจอย่างนี้ คนนั้นชื่อว่าเข้าใจตัวเองเมื่อเราเข้าใจตัวเองเนี่นไปต้องไปสนใจว่าคนอื่นจะเข้าใจไหมเข้าใจของเราเราเข้าใจตัวเราเองแล้วเข้าใจอย่าต้องแท้ดินธาตุขันอายตนะทั้งหมดของตัวเองสุดท้ายก็วางธาตุขันอายตนะที่มีอยู่ทั้งหมดตามความเป็นจริงคือตามความเป็นจริงคือตามที่เป็นสัจจ ทเขามีอยู่จเป็นมันก็คือดินน้ำก็คือน้ำไฟก็คือไฟลมก็คือลมปราเขาใจอย่างนั้นเป็นดินก็รู้ว่าเป็นดินเป็นน้ำก็รู้วเป็นน้ำซึ่งต่างกับคนที่ไปเคยดูก็เคยดูก็เคยพคยเห็นหนัเป็นคนก็รู้เออเป็นคนแต่อมปุกอมเปรไม่รู้ก็ได้แค่คนคือละคนปุนเปไปก็ได้แค่นั้นรู้เป็นคนเป็นคนอย่าเออ อันนี้มันครบถ้วนนะมีศีลมีธรรมเพราะเราเป็นมนุษย์หน่อยแสดงว่าเราก็เป็นมนุษย์จิตเราเป็นมนุษย์ในระดับเดียวกันในขณะเดีกันบุคคลนี้จะต้องระมัดจต้องระวางจะต้องตั้งค่าจะต้องเอาไว้ยกไว้ต่างๆจิต ค, คูบาอาจารย์ต้องเป็นยกเป็นกรณีพิเศษในอา จ, จตในตบุญอาจารย์นั้นนม่โดนได้เพราะเราจะไม่เป็ไหนมาไหน แต่กว่าจะไดเราอยู่เร่างรายทั้งหมดที่อยู่ข้างบนรือนึกงาที่มาอานที่ไปยกขึ้นมาพิจารณายกขึ้นมาพูดนั่นนี้โน่นความดีความไม่ ด, ดีข้อดีข้อเสียของท่านนะไม่มีสิทธิ์เลยเพราะฉะนั้นถ้าเราปฏิบัติจริงๆแล้วใจเราอีกปฏิบัติลงลอกไปเทไหร่ใจมันก็ยิกอ่อนมันไม่แข็ง แต่ยิ่ทํายิ่งแข็งยิ่งกระด้านมันไม่ใช่เหมือนเราทุกสิ่งของที่ทุกมากก็ยิ่งของมาใชินทุกข์มากยิ่ขางเพราะฉะนั้นเมื่อพูดถึงเรื่องทุกข์เรื่องตีเราต้อถึงเหล็กถึงมีดถึงถึงค้อนที่ยวาทำอยเหล็กตั้งแท่งกว่าจะมันเป็นเมีดเป็นดาบเป็นขวางให้เราใช้เนี่ยมันไม่ใช่ธรรมดาไม่ใช่ทุกข์กันงไงย มันแข็งกระดางต้องทุบทำยังไงถึง่ออนอกออกมาเอาไปเผาไฟน้ำบบราณมันบอกเอาเหล็กเนี่ยเหล็กแข็งๆเอาไปเผาไฟเสร็จและ้วตีทุบจนได้รูปร่างขนาดตามความต้องการเท่านั้นยังไม่พอนะต้องทำให้มันคมมหมือนมีคม ว่ามีคมก็ทำอะไรไม่ได้ไม่เคยประโยชน์มันก็ทื่อๆทุ่ๆอ่ะมเป็นอย่างนั้นไอ้ท่านมันเป็นมีดเป็นดาบเป็นหอกแล้วสามารถที่จะเป็นฟาดฟันเจิดเฉินสหรพัดโดยวิธีคือสมเหตุประโยชน์ได้สติปัญญาของคนของมนุษย์นี่ก็เช่นเดียวกันทามันทื่อๆซึ้งๆตื้นมันจะไปฟาดฝังอะไรได้ มันจะไปต่อสู้กับกิเลสอะไรได้ไมี้มันตัวมันแข็งๆเตื่นๆ ไ, ไม่มีทางไม่มันจะเปดูดแรงอะไรต้องเอาไปเผไฟใจทั้งเราหนึ่งเหมือนกันแตามันแข็งมันก็ได้ต้องเอาไปเผาเผาด้วยอะไรอาตาปีความเพลินเป็นเครื่องจังกิเลสให้ร้อน อกอาเปียนเนี่ผากิ เ, เ, เลสมันกิเลสนะไหมครับผมมันเกิดมันสบายยืนเดินนั่ง น, นอนไอ้บทที่มีอยู่มันสบายมันสบายเกินไปจนจริงจริงนึกถึงว่านั่งยืนเดินนอนถ้าอยู่นานเกินไปทุกขถึงจะปรากฏปกติมันไม่ทุกข์ก็มีมีความลําบาก มันไม่เห็นเวทานาอะคําว่าไม่เห็นนะแสดงว่ามันซ่อนเอาไว้มันไม่แปลวมันไม่มีเมต谛เลที่มีอยู่ในใจข อ, องเราเหมือน ก, กันถ้าความเพียรยังไม่พอเผามันไม่ได้ไมันมีทาโดยเอเวทิสต์ิตยนืนเดินนั่งนอนมาลองเผาดูไม่มีทางที่จะรู้ว่าตัวเองมีเกเรทมากเกเรทน้อยขนาดนั้น ต้องไปเผ า, าดูเหมือนเหล็กเผาเสร็จก็บัติมันดูมันถึงที่เกิดปัญญามันถึงจะหลักแหลมความคิดของเรามันจะเป็นหลักแหลมที่คงเมื่อความคิดึันคงปัญญามันคง ม, มันก็ไปชื่อเฉยเลยตัญหาราคาบรรณติจิที่มีในใจในกายเราทุกคนให้มันลดน้อยเราเราโดนปาดดนเชือน บ่อยๆแต่ถ้าปล่อยไว้อย่างนี้เป็นเหล็กทั้งรุ่นเนี่ยมันจะไปเกิดประโยชน์อะไรเหล็กมันก็คือเหล็กมันแหลมมันไม่คมมันนั้นสติปัญญาของคนของมนุษย์เฉยนถ้าไม่มีความเพลยรมาตัวเร่งไม่มีทางเลยการิเลสที่มันอนนึ่งอยู่ในสันดานมันไม่ใช่เฉพาะวันนี้เดือนนี้ปีนี้ตัวชาตินี้มันไม่รู้ที่พบกิชาติมาแล้ว เราจึงตามไม่ถึงเราอยตามไม่ถึงเอากิเลสไปวันวันวันต่อวันนาทีต่อนาทีชั่วโมงต่อชั่วโมงเรายังตามไม่ทันเราตามตามไม่รู้เรไม่รู้เลยว่าเออเรามีกิเลสนะหรือหรือเมื่าเรามีกิเลสเมื่อเราเรื่มรีกิเลสจึงเฉยเฉยไม่ได้ได้รับผลขวายเหมือนกับเราไม่ได้ทกข์ร้อนอะไรจะไปเดือดร้อนทำไมจริงๆมันมันทุก มันทุกข์อยู่ตลอดเวลามันร้อนอยู่ตลอดเวลาคือใจนะแต่เรนมองมันไม่เห็นมันก็เดยเย็นคือเย็นใจตายใจกับสิ่งเหล่านี้อย่าไปวางใจเมื่อเราหมายใจหมดออกจากกายจากเท่าจากนี้ไปแล้วนะจะไปคิดเร ะ, นะ่วางใจแล้วมันก็หมดสภาพทันทีทุกอย่างถ้าเป็นบ้านห้องหอบก็พัง มัอนป็ะเด็นไหวที่เราได้ยินได้ฟังที่บอ่อยๆประเด็ น, นไหวข้างในก็สะเทือนเรือนลั่นพังทลายอยู่ไม่ได้ต่อทั้งที่มันตั้งขึ้นมาเป็นร้อ ย, อ ย, อยปีมาแล้วมันก็ยังอยู่ไม่ได้ไปนั้นนี่คืออนิจออนาาออนนจังทุกขังอนัตตามองแล้วเออมันอนิจจังทุกขังอนัตตามักไม่ทุกไปหรอกมันซึ่งเป็เรื่องปกติมันไม่พังวันนี้วันหน้ามันก็ต้องพัง เหมือนเราจะไปคิดว่ไม่ตายไม่ตายวันี้วันหน้ามันก็ต้องตายเป็นเรื่องธรร ม, มัจดาในชีวิตประจำบันนั้นคนเราจะมองทุกสิ่งสรรเสริงทั้งหมดเป็นธรรมมดาไม่ใช่ของง่ายถ้าจิตไม่มีธรรมรือจะทำจะมองทุกอย่างเป็นธรรมมดาไม่ใช่เรื่องง่าย เรามองทุกอย่างเป็นเปกติเป็นเรื่องรรมดาของเขาเราก็ให้อยู่เขาปกติหูตาจมูกลิ้นกายใจก็อยู่ตามปกติของเขาถ้าผิดปกติเมื่อไหร่หรืออย่างไรอย่างนั้นมันมากเกินไปมันผิดปกติเช่นดินน้ำไฟลมที่เราไม่อยู่ดินมากไปน้ํามากไปลมมากไปไฟมากไปเราต้องจะรู้เช่นไฟมากไปรากายเราพอร้อน เราเป็นไข้น้ํามาไปเย็นหนาวสะบัดแล้วก็ไปเรื่อยเป็นไข้ลมมากไปกับคุพัดขึ้นข้างบนลมพัดลมข้างล่างเกิดพัดตรงข้างตับมันก็จะเด่นกันตรงกลางตแต่ถ้าลมต้องส อ, องต้มันตีกันไม่เป็นไาเลยกิด ค, ความจุดเสียงภายในขึ้นมาลมมันตั่ป่วนมันก็จึงตายได้นะลมนี่คือจึงตายได้ไม่ธรรมดา ลมมันกระดังข้าบนก็ไม่ออกข้างล่างราไม่ออกเขาทางไหนทีนี้มันก็ปานปูนใช่ไลมนี่ธรรมดาลมอยู่ข้างนอกเราเข้าใจลมพัดไปไหวมาที่กระทบตัวเราเราก็รู้แต่เข้ามาข้างในเออกลับแปลกกับไม่รู้ลมพิ่งเข้ามาต่างกายทางจมูกเรากลับไม่รู้เข้าก็ไม่รู้ออกก็ไม่รู้การพัดมันเข้าออกออกก็อยู่ตลอดเวลา เพราะ อ, อะไรเพราะความสกินความต่อเ น, นื่องสันตติในการกำหนดรู้มันไม่ตอนน่เอเนื่องเอาหพลินก็เปิดมันก็ไปแล้วอดลมหายใจนะหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้พูดเข้าก็รู้ถูกออกก็รู้ทัาาทาาทาา้งสามอย่างสองอย่างสามอย่างสุด ท, ท้ายมันก็เลอแต่ผู้รู้มันไม่มีผู้รู้ทุกวัน มันไม่มีคนรู้ผู้รู้กับคนรู้คนละเรื่องนั้นคนรู้กับศักดิ์ก็บอกคนแต่ผู้รู้นี่คือพุทโธไป่ําองไปบริกรรมนะแค่เช่ส่วนต้นมาแค่ก็ออกพุทโธมันเกิดขึ้นมาไม่ต้องไปถามาฐานหาที่ตั้งใดๆทั้งสิ้นเราประดุจลงไม่ไกลเลม่ต้องไปถามใครไม่ต้องให้ใครมาบอกว่าจะอยู่ตรงไหนมันจะรู้ว่ามันเองมันจะเป็นมันเอง ไม่มีสำนักไหนมันบอกกำนดได้ว่าทำอย่านั้นเป็นอย่างนี้แต่ไม่มีถ้าเราเป็นในตตรงไหนเหมือนกันหมดในบ้านในป่านในเขาที่ไหนเหมือนกันหมดสภาวะธรรมมันไม่ได้แยกเปิดแตกอะไรเลยจิตเขาถึงสภาวะดั้งเดิมจริงๆมันไม่ได้แยกเลยเราหรือว่าค น, นต่างหากที่ไปแยกไปอยู่กับผู้ชา ย, ชา ย, ยกับผู้ชายไปอยู่กับิงญงอยู่กับสัตว์ก็เป็นสัตว์ มันก็มีจิตเหมือนกันนะแต่นิยาการนี่มันแสดงออกมาต่างกันเกี่ยวกับคนเกี่ยกับศัพท์มันต่างกันแต่จิตมันก็คือจิตมันไม่ไดประเภสสีสันวันนาอะไรใดธรราจิตที่ไม่รับการอบรมไม่รับการฝึกการสวมเท้าสีเท้าไม่มีการปัฒนาเหมือนกันฝึกไม่มีการเรียนรู้เมื่อมีเรียนมันก็ไม่รู้มันรู้มันก็ไม่เกิดปัญญา ไม่รู้นั่นเองมันคืออวิชาที่พูะุทธเจ้าตรัสไว้ซึ่งเป็นต้นต่อทั้งหมดในความโง่เขลาปัญญาทั้งปวงและมันก็ทำกิาการดังที่เราเห็นกันอยู่กายวาจาใจแข็งกระดานทำไมมังเนขงเพราะมันไม่เคยทุกขมันเคยทุกชัดเจนอยู่แล้วลเมื่อจิตใจมันแข็งกระ ด, าะด้างแสดงว่า การพัฒนามันมีแสดง ว, ว่าการปฏิบัติไม่ได้เรื่องบอกง่ายๆบอกชัดเจนว่าปฏิบัติไม่ได้เรื่องคณะของปฏิบัตินั้นมันยิ่งปฏิบัติมันยิ่งอ่อนอหมันจิตใจมันยิ่ง อ, อ่อนนั่คือปัญญาลนะักษณะของปัญญาเคยเดือดเที่ยวไปงเสมอเหมือนต้นไม้เหมือนยอดไม้ยิ่งแทงสูงขึ้นไปมันก็ที่ขอนลมพัดไปพัดมามันต้านมันอยู่ได้ทําแข็งขึ้นมาอะไรมันหกนะัก มันต้องมาส่วนที่เป็นลําต้นจะเป็นรากมันมต้องแข็งต้องยึดตังเหนียวหรือต้องมีหลักนะคนละอย่างกันนะบัน ไ, ไดคนที่มีปัญญามันต้อง อ, อ่อนอ่อนผอนลมผองตามหรือต้องชนลานปรับตัวถ้าปรับตัวไม่ได้ก็ไม่เชื่อวู้มีปัญญาถ้ามีปัญญาปรับตัวอยู่ได้อยู่อย่างไงก็ อ, อยู่ได้หมือร่างกายของเรา โดยธรรมชาติมันจะปรับตัวมันเองเย็นด้านอ่อนแกงน้ําเองมันจะค่อยๆปรับจนอยู่ตัวมันก็อยู่ได้ถ้ามันโปกปปับขึ้นมาเย็นเป็นเย็นจันทีร้อนจะร้อนจันทีเนี่ยมันลําบากมันไมค่อยปรับตัวค่อยค่อยปรับจิตของเราก็เช่นเดียวกันมันแข็งอย่างนี้มานานมันใช่แค่เพิ่เป็นมันใช่แค่วันนี้หรือเมื่อวานหรือเดือนที่แล้วปีที่แล้วไม่ใช่ มาเป็นอุปกรณ์เศรษฐกินี้มานนังนั่จชัวร์ไม่รู้ว่ามันอยู่ในใจคือถ้ามันออก็ดอะไรข้อผิดเพี้ยอาการก็ อ, อยางที่เรารู้ๆก้นถิ่มกันอยู่เพราะนั้นปรับได้ไหมปรับได้เท็ิสายถ้าเราไม่ทําซ้ําก็คือไม่คิดซ้ําไม่พูดซ้ําไม่ทําซ้ํามันจะไม่ได้วันทธิ์สัยเพราะฉะนั้นจึงแก้ได้เท็ิสายแก่เรา ก็รออย่าไปคิดอย่าไปพูอย่าไปทำให้มันซ้าๆเช่นคิดเรื่องทุกข์กดเครียดอยู่นี่บพูดแก็พูดอยูรู้มันทุกข์ก็พูดอู่ทุกข์แนยเรียกว่าซ้ำแลจะหมาให้มันทุกข์ยนงไงมันทุกขครั้งเดียวยังไม่พอเหมือนคนมือนก็ทุกขคันงเดีวมือนกับไปบ่นซ้าๆเหมือนกบทุกๆๆๆๆุทุกททุกคือมีแต่ทุกมันอื่นมันเด็กไม่ออกเลย เดี๋ยวพอคิดสองอย่างนี้มันจะเป็นนิสัยจะทำมันจะกลายเป็นนิสัยเพราะอะไรเพราะจิตมันจะจำมันจะจมันจำมาเ อ, อ่ยจํามาทุกๆๆก ท, กทกคนเดียวจะไม่มีสุขเลยคิดนี้คิดนั่บอกสบายใจเพราะนั้นเวลาคิดให้คิดแต่เรื่องที่ดีพูดแต่เรื่องที่ดีทําแต่เรื่องที่ดีเพราะฉะนั้นโบราณก็ยังสอนพวกเราอยู่เสมอว่า เที่ยวผิดหวังสงบังกับคนกับมนุกับคนที่ไปเพราะเราไปคาดหวังเอาไว้เนเราไปทําดีกับคนนี้แล้วทําไมเขาไม่ทําดีกับเราผิดหวังอันนั้การที่เราโ horsa ลงทุนลงแรงทําดีกับเขาคนนี้แล้วมันผลตอบแทน ไ, ได้เลยอันนี้เรียกว่าคาดหวังหน่อยเรลยกาทาดีเพื่อดีมันผิดหวัง เพรนั้นเราคิดใหม่ว่าเราทำดีกับใครอย่าไปคิดว่าเราทำดีกับเขาให้คิดใหม่ให้คิดว่าใครทำดีกับเราเดี๋ยวให้จำแต่อย่าเป็นจาเราทำดีกับใครเพราะอย่างนั้นมันจะเป็นิดหวังมันจะเกยความิดหวังในตัวเช่นเราเคยทำความดีกับคนนี้เนี่ยปิติหวัแต่ให้เราคิดใหม่ว่าใครทำความดีกับเรา อย่างนี้คนจะนึกถึงสุดใครเราทําดีกใครนักเขาไม่ไทําดีกับเราแสดงมันไม่ไม่ดีแต่เราก็คิดก็ปแปลว่าคิดในสิ่งที่มันไม่ดีให้เปลี่ยน ใ, นใสัยใหม่เปลี่ยนทันทีเราไปคิดดูในขณะนั้นแต่อกเออถ้าจิตมันไม่ดีลองนึกถึงว่าเออใครทําดีกับเราไว้บ้างเราจะได้ตอบแทนนั่นก็แปลว่าเรานึกถึงของที่ดีๆ แม้เป็นบุคคลก็ตามไม่ใช่พระองค์พระเจ้าในจิตเราก็จะมีแต่ความดีๆมันจะไม่สร้างมองเดี๋ยวจคิดในควาไม่ดีไม่ว่าจะเป็นคําพูดความคิดการกระทําของคนอื่นมันไม่ดีก็ามาคิดคือคิดในคขอมทำไม่ดีแล้วใจมันจะมีอะไรอยู่ในใจก็จะมีในความไม่ดีไม่ดีอยู่ในใจแล้วก็ไม่เอาออกคือไมีคาจับไม่ออกจากใจก็เก็บ มันจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อถึงระยะเวลาที่จะสละรางกากนี้มีของไม่ดีมีแต่ของน่าของเสียเยอะร่กายมันไม่เกิดอะไรขึ้นหาของดีไม่เจอเลยอยู่ในตัวเราเพราะนั้นความดีที่เจอเราเนี่ยถ้าเรายากหาไม่เจอลําบากนะแต่เราหาความดีไม่เจอคนอื่นนะี่ยไม่เท่าไหรความมันได้เกี่ยวอะไรกับเราเังนั้นใ้หาความดีในตัวเราให้เจอ ข อ, ขอบคุณอบคุณคไม่เจอมากน้อยไม่เป็นไรเออเราก็ยังมีดีนะคุณคอื่นเขาก็ยังมีดีนะอย่าไปคิ ด, ดของเรียวๆแยกๆงั้นมันจะคิดซ้ำๆอย่างมันกนลำลังบังมันจะเป็นอุปาทิศจะเป็นบุคลิกส่วนตัวมันสแสดออกเรียวทริยาอาการทางกายแต่ถ้าเป็นเรื่องใจเรียว่ทีิยาอาการของจิตจิตมันก็จะจํานี่การอบรมการสอนจิตของเรา เหมือนเราสอนหนุสอนหลานเราพูดยังไงเราบอดงานมันก็จําพูดดีมันก็จําดีพูดหยาบคายมันก็จ ำ, จำเรื่องหยาบคายอะไรจะพูดทําไมจะป้อนทําไมป้อนของไม่ดีเหมือนกับป้อนอยาพิษป้อนอยาพิษให้กับลูกแต่เราพูดดีๆก็เหมือนป้อนของดีๆให้กัลูกเข้าสู่ร่างกายและจิตใจมันจะเป็น ผลมีผลต่อร่างกายและจิตใจไม่ใช่สักแต่ว่าลอยๆนะเราต้องระมัดระวังเหมือนกับเราที่ได้ยินได้ฟังคนอื่นพูดไม่ดีเราลอเอามาคิดนะเรืองมาเก็บแบบเหมือนกันมันนัก่อนที่เราจะพูดจะคิดจะตั้งไว้ให้ีคิดให้มีสติใช้สติก่อนพิจารณาก่อนค่อยเสพค่อยปฏิบัติคือค่อยคิดค่อยพูดค่อยทำอย่างนี้ ร่างกายตัวที่มีอยของเรามาพอจะเย็นตากอจะเย็นหูพอจะเย็นปากก็จะเย็นเมื่อตัวเราเย็นทุกอย่างก็ะเย็นหมดเลยใครก็ได้จเย็นถ้เราร้อนตาร้อนหูร้อนปากร้อนกายร้อนหมดคนเป็นไข้ตัวมัน้อนมันร้อนหมดเลยถึงเราจะทำยังไงทําให้มันร้อนแต่นั้นมันเยทําได้เลือดได้เพราะนั้นกรรมจึงเรือดได้ เื่อกรรมคือการกระทำเลือกได้แก้ได้ไม่ใช่แก้ไม่ได้แต่ว่าทำไปแล้วผลของกรรมมันแก้ไม่ได้กินพริกบอกไม่อยากให้มันเผ็ดมันไม่ได้แต่ถ้าบอกไม่กินพริกมันก็ไม่เผ็ดมันแก้ได้แต่ต้องไม่ทำแต่ทำไปแล้วบอกว่าให้มันเปิดไม่ได้ทำมาไปแล้วมายั้มันเป็นบาปไม่ได้มันทำไปแล้วแต่ถ้าไม่ทำบาปนี้แก้ได้ นะเนี่พระนกรรมคือการกระทําแก้ได้แกะตรงนี้มันจะไปแค่ภายนอกมันแก้ไม่ได้ดงั้นที่เราทําทุกวันก็คือการแก้กรรมคือการจะทำอเอาตัวเราเองกกนี่เอง่อนไกรรมวาจีกรรมมโนกรรมการปฏิบัติอย่างนี้ชื่อว่าการแก้กรรมจริงๆเราก็ได้ผลจริงๆแต่เป็นกรรมที่เป็นปัจจุบันไม่ใช่กรรมอดีตไม่ใช่อนาคตอะไร ทีเป็นสิปันธุปันธุ์นั้นถ้าเราคิดดีเราก็รู้คิดม่ดีเราก็รู้แล้วอ้อปล่อย <rd kim> ทั้งดีและไม่ดีเพราะว่าดีก็ดีไม่ดีก็ดีถ้ามันอยู่ในใจแล้วนั่นนี่ก็เป็นกลางถ้าดีอยู่ในใจเราใจดีถ้าไม่ดีอยู่ในใจเราใจไม่ดีเพราะนั้นให้เข้าถึงใจเพราะใจมันอยู่กล า, างกางมันไม่เข้าใครท่านแยกดีออกจากใจแยกชั่วออกจากใจเนี่ยให้เข้าถึงใจใจเป็นกลาง มันจะเป็นธรรมคือใจมนีธรรมว่ามันจะเป็นธรรมถ้าใจนั้อาศัยดีอยู่ติดดีมันติดดีอใจ ย, ยังอยู่กับความไม่ดีมันก็ติดความไม่ดีติดติดมันติดชัวว่วเป็นไงมันก็จะอยู่อย่างนี้สองอย่างวนไปเรียนมาเรกกอยไปเรืม า, มาแต่ถ้าอยู่เป็นกลางคือเฉยๆจริงๆนงหนักแนกเพราะนั้นถ้าเราไม่เคยทำใจไม่รู้จักใจ ไม่เข้าถึงใจเลยยากที่จะเข้าใจว่าสิ่งนี้ที่เป็นอยู่มีอยู่ปรากฏอยู่เนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปยังไงโดยวิธีใดมันเกิดขึ้นได้อย่างไรมาตั้งอยู่ยังไงไห้มันจะ ด, ดับไปไไม่มีทางเลย ส, ทาายสยุท้ายเราไปสวยไปได้บรางดู้ี่ประสุกรรมานทุกกรรมานลาบากแล้วก็อยากอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากได้สุขอยากมีสุข อยากโนราเป็นศพแต่ทั้งมันไม่ได้คือมันไม่เป็นศพไม่มีศพเนี่ยอยู่ไม่ศพอย่างนี้เดี๋ยวอยู่ไม่ศพเพราะนั้นจิตใจเรามันฝึกได้แต่ด้พัฒนาได้บางทีวเว่าเราเลือกที่จะพัฒนาเลือกที่ใจเปลี่ยนแปลงหรือว่าจะอยู่เฉยเฉยเหมือนเดิมมักก็ได้แค่เดิมแต่เท่านี้ไอ่ไปไหนไม่ไหนแต่เราเลือกขึ้ว่าเราต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองทุกวัน เพราะว่าความเปลี่ยนแปลงคือสิ่งที่เป็นเที่ยงะท้นอนิจจ์คือเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอนิจจ์ทุกับ่างอนัตตางเป็นอนิจจรสนาคือการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเหมือนตัวเราตัวเราเนี่ยคือร่รางกายข้างเรามันไม่ได้อยู่ในอริบาอา ย, บาายบุรีอริยบวรีย์บุรณะเช่นยืนเดินนอ น, นตั้งรอดวันมันหมุกไปได้ไมีนั่งก็ยืนยืนก็เดินเดินกันอนเปลี่ยนกัน อ, อยู่อย่างนี้ ในชีวิตปัจจุบัของเรานี่คือการเปลี่ยนแปลงที่เราเรียกวแต่เราก็ไม่รู้มันเ ป, นเปลี่ยนแปลงเราไม่เคยดูไม่ เ, เคยรู้ก็ เ, เคยพิจนารณาเราจึงไม่เข้าใจสภาพวาความเป็จริงที่มีอยู่ทั้งหมดว่าสิ่งที่มีอยู่ทั้งหมดนี่คือยืนเดินนั่งนอนนี่คือสิ่งที่เรียกว่าทุกข์กิรยาอาการเหล่านีนน้มันติดบังทงุกข์ คือไม่ให้เรามองเห็นทุกข์ถ้าเป็นเราสมมติเรานั่งนานๆเป็นทุกข์ เ, ออเราจะเริ่มเห็นอะไรเป็นทุกเห็นะใเราเป็นทุกข์อยู่ไม่ได้แตจะับพล็กหรือว่ลุกเดินก็หายไปแล้วพวกพวกยืนมันยืนนานๆเอาเมื่อยแค่มาถึงทุกข์แล้วเขเปลี่ยนมากระหายไปเอากละหาเป็นปนอนพอนอนนานมันก็ลำบากทุกข์พอเปลี่ยนอีกบลุกจากที่นอนมันก็หายไปอัง น, นี้เรียกว่าอีโบทมันปิดบังทุกข์ไว้ไม่เรามองเห็นทุกข์ เราไม่พิจารณาอิบตตรนี้ไม่ใช้อิบุตรงนี้เป็นประโยชน์เราไม่มีทางใดเลยที่จะเห็นทุกในชีวิตประจำวันเมื่อเราไม่เห็นทุกนั่นแหละคือไม่เห็นธรรมเพราะนั้นผู้ใดเห็นทุกผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดไม่เห็นทุกผู้นั้นก็ไม่เห็นธรรมก็คือไม่มีธรรมต่อให้ทําทั้งวันแต่ไม่เห็นไม่รู้ไม่เข้าใจก็ชื่อว่า ไม่มีธรรมะอยู่ในใจขอพอเราทั้งหลายได้เป็นผู้เห็นธรรมเห็นทุกข์เราก็เชื่อการปฏิบัติของเราได้ผลแต่ถ้าไม่เห็นทุก์ไม่เหน็นธรรมนั่งทั้งวันก็ไม่ได้ประโยชน์ยืนทั้งวันก็ไม่ได้ประโยชน์นอนทั้งปันก็ไม่ได้ประโยชน์พูดทั้งวันก็ไม่ได้ประโยชน์ประโยชน์ประตรงนี้เพราะนั้นในฐานะที่เราทั้งหล า, า, ายเป็นนักปฏิบัติ เพราะเราตั one one. ้งใจตั้งจ no mm ิตในชีวิตประจำวันว่าวันนี้เราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงเราตัวเองไม่ได้อย่าไปพูดคิดซ้ำๆเดิมๆซ้ำๆซๆเรื่องเก่าเกาเก่ามันจบไปแล้วมันขับรหารมันอุจจาระปัสสาวะไปแล้วไม่จะโพู่โดถึงมันอยู่อันนี้มันเป็นประโยชน์หรือประยชอะไรกสาระในชีวิตประจำวันเหมือนกันความคิดกับพูดการทําในชีวิตประจำวันก็ตายมันจบไปแล้วนะ มันดีไปแล้วมันเสียไปแล้วมันชอบไปแล้วมันชังไปแล้วมันผ่านไปแล้วยาเอามากลับเข้ามาอีกมันไม่ได้ประโยชน์ก็เลยบอกปล่อยวางคือปล่อยแล้วก็วางทุกวันนี้จิตเราไม่ปล่อยจิตเราไม่วางจิตเรามันยึดมันถือมันกางเอาไว้มันกอดเอาไว้มันก็ได้ตรงนี้ก็เลยบอกกอดทุกข์แล้วเราจะโทษใคร เราเป็นคนกอดทุกเอาไว้เราไม่ปล่อยให้มันถูกออกไปตามธรรมชาติของมันเราก็ทุกเราก็คือใจใจเราก็เลยทุกถ้าเราปล่อยวางบ้างอย่างที่เป็นบางโอกาสเป็นบางเรื่องก็ยมีถึงทําได้ไม่หมดแต่สามารถที่ธิวางได้วางอารมณ์ได้ในสิ่งเล่านั้นนั่นก็ชื่อว่าจะเป็นผลงานในการปฏิบัติธรรมของเราเชื่อว่าได้ผลในระดับไดระดับหนึ่ง พยายามทำในเรื่องอื่นๆเปลี่ยนที่เปลี่ยนเคียงให้มันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจีตเราก็จะค่อยปล่อยแลค่อยวางใจที่มันหนักมันก็จะเบาเพราะว่าที่มันหนักก็เราเก็บเอาไว้เราแบกเอาไว้รเาวราถือเอาไว้แล้วค่คอยยิบค่อยเอาออกค่อยปล่อยค่อยวางมันก็จะเบากายก็เบาใจก็ เ, เบาวิจารก็เบาหมอก็สบายทำอะไรก็ง่าย น, นี่ผลของการปฏิบาาัติธรรม เอานาก็ขอเป็นกำลังใจให้ผู้เราทั้งหลายได้น้อมนำสิ่งเหล่านี้เอาไปใช้ในชีวิตประจาวันมันก็เป็นประโยชน์ต่อร่างกายและจิตใจที่สำัญก็คือหนึ่งประโย ต, ตนได้แล้วคือผู้อื่นคือไม่สัมพ้องสร้างความบาดใประโยชน์อย่างยิ่งคือปัญหาทั้งหมดครบทั้งสามอย่างทั้งสามประโยชน์นี่คือสาระ ชีวิตรเรามีสาระมีประโยชน์ครบถ้วนอย่างนี้ทุกวันทุกวันก็เชื่อทำตัวให้เป็นประโยชน์ทุกวันขอเป็นกองแทงพวกเราอันหงวันนี้ก็ขอฝากธรรมะเส็ดวันี้ไว้เอาไวเ้เพียงเท่านี้ครับ